สามสิบเจ็ดระหว่างเดินทางนปัดเขาขับรถจักรยานยนต์ตุยปัดตัวซูโมโตร ทอยาตวโซมเตอร์เขาขี่จักรยานทอย์าตวโซเวลเยาตัวโซเวล o เขาเดินทยเดิอย์เดเขาไปโดยเรือใหญ่ยาตวโซบร ตุยปาตวสูบรดุดเขาไปโดยเรือตุยปาตวซชามตุยปาตัวซชาม ต, ตา เ, มเขาว่ายน้ตุยลวาตุยลวาที่นี่อันตรายไหมคะนี่อัายมตรที่นี่อันตรายไหมคะัต่าอามาายนตอย่าที่นี่อันตารายไหมคะ อออสโนการบอกรถคนเดียวอันตรายไหมคะออุปมตัลออุัสโนซามาดาตรมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนดลออุสโนนาวชดาดโรชต Дали е о п а с н о на вечер да се уди на п р у ш а т к а Паулов пат. Ние го погрешивме патот. Ние го погрешивме патот. Рома пипат. Ние сме на погрешен пат. Ние сме на погрешен пат. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมเนี่ยมระเมดเซรัติเมนี่มระเมดัเซวรัติเมจอดรถได้ที่ไหนคะคาเดมเจอฟเดดเซาร์ิราคาเดมเจอฟเดดเซาร์ิราที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ อมีมเดอพารที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ่ะเจอู да ดอได้เซพาร์กิรา да да คุลคุดเกล่นสกีไหมคะลกีกี คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะเซวูซิติลิน่าโอ็์สโลิฟต์สกีเนย์ที่นี่มีสกีให้ชเช่าไหมคะมูเจลิอวเดีมวเดดสกี